ขั้นหต่างหากจากจิตเราอยากเห็นหมู่เพื่อนเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนมีความภาคเพียนว่าได้รู้อย่างนั้นว่าได้เห็นอย่างนั้นมันมีกำลังใจโอ้การเทศมานี้ไม่เสียเว ล, เวลาไม่เสียอาจเสียธรรมที่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถอดจากหัวใจออกมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ปรากฏผลออกมาเป็นสักขีพยาน เหมือนพระพุทธเจ้าทรงเปลงอุทานว่าอัญญาสิวัตโพ โ, โกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติพระอัญญาโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นแลเหตุเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณทัญญาเด้รู้เห็นธรรมบรรลุอริยธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันแล้วเปลงอุทานออกมาต่อพระพักของพระพุทธเจ้า ด้วยความถึงใจว่ายัางกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นด้วยความรู้ซึ้งถึงใจจริงๆวาระสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเปลงอุทานอนุโมทนาธรรมของพระอัญญาโกณทัญญาว่าอัญญาสิวัตโภกโกลทันโย ัญญาสิวัตโพ โ, โกนทันโยติพระัญญาโกลทัญญะเดี๋ยวดูแล้วหนอเดี๋ยวดูเ้วหนออิติอิทังอญญายะสมโตโกลทัญยสสะัญญาโกลทันยญญโนนยตวเววะนามังอโหสีติอันนี้จึงได้เป็นมิตรการนามของพระอัญญาโกลทัญญะตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมานี่คือพระัญญาโกลทัญญะเป็นผู้ที่รู้เห็นธรรมคนแรก ที่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าไม่เสียพระไทยไม่เสียพระกําลังไม่เสียเวลาที่ทรงสั่งสอนเป็นปฐมมัทศนาแก่พระเบญจวครีทั้งห้าครั้งแรกแห่งความเริ่มเป็นศาสดาของโลกและทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรให้แก่พระเบญจวครีทั้งห้าฟังรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาฟังสิเอาฟังให้ซึ้งสิมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะรูปังอนิจจงมันแปรอยู่ตลอดเวลาอย่าชินชากับคำว่ามันแปรอยู่ตลอดเวลาให้ซึ้งด้วยปัญญาจะทราบว่าสิ่งที่เรา อ, อาศัยอยู่นี้ แรรอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ด้วยความแปรความแปรปรวนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่กับของหาหลักเกณฑ์อันแน่นอนไม่ได้อยู่กับความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารูปังอนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนที่ไหนคือ้าสี่ดินน้ำลมไฟเราไปถือมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรดินก็เป็นดิน น้ำก็เป็นน้ำก็ชัดชัดอยู่แล้วลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟชัดชัดอยู่แล้วไปถือว่าเป็นคนได้อย่างไรไปถือว่าเป็นเราได้อย่างไรดินน้ำลมไฟน่ะเมลล์ไลอ้ก็บ้างเหรอัญญาให้ซึ้งลงไปตามนั้นสิสัญญาความจำได้หมายรู้จำอะไรก็ลืมลืมไปหมดเมื่อต้องการจำอีก ปรุงขึ้นมาอยู่อย่างนั้นสังขารความปรุงความคิดไม่ว่าคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอะไรดับทั้งนั้นเอาสาระแกนสารอะไรกับมันอาการเหล่านี้มันก็เหมือนพยับแดดนั่นเองมองดูไกลๆก็เหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเวลาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่พิจารณาคนเข้าไปจริงๆแล้ว ในที่ว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันมีเราอยู่ที่ตรงไหนพอจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่อายความจริงบ้างเหรอเราไม่อายกิเลสบ้างเหรอหรือเราก็เป็นกิเลสเป็นตัวเดียวกับกิเลสเป็นตัวหลงถึงไม่อายกันนั่นก็ยิ่งเพิ่มความโง่เข้าไปอีกสิ เวลานี้เราไม่ต้องการความโง่ต้องการพิจารณาเพื่อความฉลาดเมื่อท่านแสดงถึงอนัตตลักษณสูตรแก่พระเบนจวาคัคคีวาระสุดท้ายก็ถึงรูปัสมิงปินิพินทติย่อมเบือนาในรูปเวทนายาปินิพินทติย่อมเบือนายในเวทนาสัญญายาปิ นิพินทติย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาสังขารเรสุปีนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆและทางสังขารอันหยาบคือร่างกายนี้ก็เป็นกองรูปอยู่แล้วสังขารเรสุปีนี้หมายถึงความคิดปรุงล้วนๆนิพินทตติย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลาย วิญญาณนาสมงปินิพพินทติย่อมเบื่อในายในวิญญาณหมดขันห้าก็มีเท่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพินทางวิรัชติเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมี นี่อนัตตลักณะสูตรท่านแสดงไว้อย่างนี้แต่สําหรับเราผู้ปฏิบัติคิดว่าสูตรนี้ท่านผู้จดจารึกจะตัดทอนออกไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะต้องอย่างเข้าถึงจิตเพียงรู้เท่ารูปเวฒนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่านั้นจิตหลุดพ้นไปได้อย่างไรเราปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันค้านกันได้อย่างจั ง, จง คือคานกันด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้คานกันด้วยความดนเดาแต่อย่างใดทำไมถึงค้านกันได้ก็ยกอาทิตตปริยยสูตรมาสิอันนั้นเรายอมรับร้อยเอร์เซ็นตหาที่ค้านไม่ได้หมอบราบเลยอันนั้นท่านแสดงถึงมณัสมิงปินิพินทติย่อมเบอือนายในจิตธํามเมสุ ป, ปินิพินทติ ย่อมเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายพูดย่นย่ออใจความสำคัญมาเทียบกันเมื่อเบื่อหน่ายในอารมณ์แล้วสิ่งที่สัมผัสก็เบื่อหน่ายเวทนาที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นเข้าถึงจิตอธิตตปริยยาาสูตรจากขุโสต คานะชิวหากายะมโนเอาเราพูดยอ่ยอๆเบื่อหนายเนตตาหูจมูกลิ้นกายเบื่อหนายเนตตาหูจมูกลิ้นกายนี้แล้วเบื่อหนายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์และเบื่อหนายในจิตอีกนี่สิมันเข้าถึงจิตเมื่อเบื่อหนายในจิตแล้วมันก็หมด คำว่าเบื่อหนายในจิตคือรู้เห็นเหตุผลภายในจิตรู้ว่าสิ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นมันเป็นตัวภยัยนั่นถึงขั้นอวิชชาเต็มตัวทีเดียวถ้ายังไม่เข้าถึงจิตก็ยังไม่เข้าถึงอวิชชาเมื่อพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและยังพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายและยังพิจารณาใจด้วย อารมณ์ที่เกิดจากใจอะไรพาให้อารมณ์เกิดขึ้นมาในใจนั้นถ้าไม่ใช่อวิชชาอะไรเป็นผู้พาปรุงเป็นผู้ผลักดันออกมาเชื้อแห่งความคิดปรุงทั้งหลายมันคืออะไรพิจารณาเข้าไปตรงนั้นทีนี้มันก็รู้ชัดเหมือนสภาวะธรรมทั่วไปเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาพิจารณาใจพิจารณาเหมือนกันนั้นรู้ก็รู้เหมือนกันนั้นปล่อยก็ปล่อยเสมอกันไปหมดเมื่อถึงจิตแล้วไม่มีทางไปมานาสเมิงปินิพินทติธรรมเมสุ ป, ปินิพินทติต่อจากนั้นก็ไปนิพิทังอันเดียวกันอันนี้เรายอมรับในภาคปฏิบัติเราปฏิบัติจริงนี่ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติสูตรนัตตาลักษณะสูตรนี้พอไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่ถึงตัวจิตอวิชาก็ผ่านไปนี่เราเข้าใจว่าท่านตัดออกนี่เราได้พิจารณาแล้วพิจารณารูปรู้เท่ารูปปล่อยรูป ภายในใจก็รู้ชัดรู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้เท่าหมดปล่อยหมดแต่มันยังไปติดอยู่ในใจมันไม่พ้นนี่นะเวลาปฏิบัติมันก็ไปถือใจอยู่นั้นเสียถือใจก็คือมานะอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องบนนั่นแหละจะเป็นอะไรไปถ้าไม่เป็นตัวใจล้วน กับอวิชากลมกลืนกันอย่างสนิทติดจมนะ่ะเราพิจารณาอย่างนั้นมานะอุทจาอวิชามันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดนี่เมื่อเข้าถึงใจแล้วมันถึงได้รู้ตัวมานะคือความถือใจมันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งท่านเรียกสังโยชน์เบื้องบนคือกิเลสประเภทละเอียดที่จิตยังติดข้องอยู่ยังม่รอบตัว พูดง่ายๆอวิชชาฟังดูสิจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไล่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ด้วยสติปัญญารอบไปหมดปล่อยให้หมดแล้วมันยังไม่เห็นพ้นทุกนี่ไม่เห็นพ้นจากกิเลสนี่นะพอไล่เข้าไปถึงจิต มันก็ไปโดนเอาตัวมานะอุทธจจะเอาวิชาจนได้พอหมดอันนั้นแล้วไม่ต้องบอกบอกทำไมนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครด้วยพลนหรื อ, อยังจิตที่นี่ไม่ถามใครถามทำไมสันติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดเมื่อปฏิบัติให้รู้เห็นตามหลักนี้แล้วมันก็รู้ชัดเจนขึ้นมาเอง แม้พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามไม่ว่าสาวกองคใดจะไม่ถามเลยเพราะความจริงเท่ากันนีการปฏิบัติอันไหนที่มันแย้งกันเราก็บอกว่าแยง้งทางภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นอาทิตยตาปริยญายสูตรนี้ไม่มีทางแย้งได้เลยเอานั้นมาเทียบกับอันนี้ถึงแย้งกัน ระหว่างอธิต่าปริยยาาสูตรกับอนัตตลักษณะสูตรแต่เรายังถือว่าท่านแสดงเพียงสรุปเอาถ้าแสดงเต็มภูมิแล้วจะต้องถึงจิตอันเป็นตัวการไม่ถึงจิตจะหลุดพ้นไปไม่ได้ขัดตหลักความจริงของการปฏิบัติของปัญญาที่จะเข้าถึงกันนี่เข้าถึงเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยนี้ไปแล้วก็ไปแบกทุกข์ไว้ที่ใจ แบกอวิชาไว้ที่ใจก็เหมือนตัดต้นไม้ตัดกิง่งตัดก้านตัดอะไรมันออกรากแก้วไม่ถอนขึ้นมามันก็งอขึ้นมาอีกละสิถอนรากแก้วรวดขึ้นมาหมดแล้วกิ่งก้านไม่ต้องไปตัดมันก็แหลกหมดมันตายด้วยกันหมดนั่นละ่ะอวิชาเป็นตัวสำคัญมากเราเห็นอย่างนั้นการปฏิบัติจริงจังอยู่ภายในจิต รู้ชัดการปฏิบัติธรรมจึงไม่จำเป็นต้องให้ถูกตามปริญาตเปรียรยวไปทีเดียวตรงไหนแยกก็ให้ทราบว่าแยกด้วยภาคปฏิบัติของตนตรงไหนเข้าร่วมกันก็ให้รู้ด้วยภาคปฏิบัติของตัวไม่ให้คาดไม่ให้เดาดังสมาธิปัญญานี่ก็เหมือนกันของแต่ละรายแต่ละรายแต่ละนิสัยเอาสมาธิของเราเป็นอย่างไร ความสงบของเราเป็นแบบไหนให้รู้ภายในตัวเองอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาคาดหมายเทียบเคียงมาเป็นสมบัติของตนมันเป็นสิ่งหยิบยืมมันไม่ใช่ของจริงของจริงแล้วเป็นขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละคือของเราแท้ของเรามีความสงบแบบนี้ปัญญาของเราเดินแบบนี้หนักในการพิจารณาทางนั้นทางนั้น องนั้นท่านชอบอย่างนั้นองนี้ท่านหนักไปทางนี้เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ละท่านอย่าเอามาคล้าคล้ากันปฏิบัติให้จริงจังอย่างนี้โดยอยู่ในหลักสัจธรรมด้วยกันมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนละทีนี้เมื่อสติปัญญาได้ยังเข้าไปถึงจิตซึ่งเป็นที่รวมของอวิชชาตัวพบตัวชาติแล้วและกระจายมันออก ทำลายมันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แล้วอะไรจะมาเป็นพบเป็นชาติอีกมันไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบด้วยถ้าว่าว่างซึ่งหมดอย่างนี้คนก็จะคาดว่าว่างอย่างไหนไม่รู้ความจริงมันเป็นอยู่นี่รู้อยู่ชัดชัดเต็มหัวใจแต่พูดไม่ออกยกเอามาสมมุติเพราะอันนั้นไม่ใช่สมมุติ จะมาพูดแบบสมมุติจะให้มันตรงแบบธรรมชาตินั้นมันตรงไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นวีมุตดอันนี้เป็นสมมุติเป็นแต่เพียงข้อเทียบเคียงกันไปเท่านั้นอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้อุบายนั้น เป็นธรรม